ขอ oh, ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย mm hmm. การบรรยายพระสูตรในวันนี้ mm hmm. เนื่องจากได้นำเรื่องชาดก mm hmm. ในกุธการนิกายทัศกานิบาศ mm hmm. มาเสนอแก่ท่านผู้ฟังโดยลำดับ mm hmm. เห็นว่า mm hmm. ในชาดกเหล่านี้ มีเนื้อหาสาระที่เน้นหนักไปในด้านศีลธรรมจรญยาเหตุการณ์ที่ปรากฏในชาดกมักจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์วันนี้จึงจะนำมาหาการหาชาดกมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่า คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันผู้พระสงฆ์มาประชุมกันประรบถึงความมหัศจรรย์ในบุญญาธิการของพระพุทธเจ้าที่ทรงบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการโลกรอต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพระเจ้าก็ทรงเป็นเอกบุรุษจริงๆ จ, จากนั้นท่านเหล่านั้นก็นําเรื่องการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้ามาสนทนากันโดยเริ่มต้นถึงหลังจากที่ได้จัดสรุปเสด็จจากพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่จัดสรุ แล้วท่านบอกไว้ด้วยว่าลนทางระหว่างพุทธกยากับอิสีปตัตนะที่พระเจ้าทรงแสดงประุมเทศนานั้นห่างกันส8บโยชนและในที่นั้นเองพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมจักรกับวัตนสูตรและอนัตตลักษณ์ตสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่เคยนำมาปัญญายโดยพิสดารแล้ว จบลงที่ท่านปัญญาบาคีทั้งห้าเดิบรูปมรคลเป็นพระหันแล้วท่านก็นเล่าต่อไปถึงการเสด็จไปโปรดท่านปุราณชดินพันรูปพระเจ้าทรงใช้ปาฏิหารในแนวต่างๆถึง 3,500 รปาฏิหารเพื่อต้องการทรมานฉดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นจริงๆก็คือรูปเวลากาับสปะทั้งสงก็สรวบรวมเป็นฉดินทั้งสามพี่น้องในช่วงนี้ท่านผู้ฟังคงนึกได้ว่าที่ท่านคุยกันนั้นข้ามเรื่องเหตุการณ์สำคัญไปหลายตอนพราะจริงๆแล้วเมื่อจบอนัตตลกนสูตรมีพระอนเกิดขึ้นในโลกห้ารูปนั้น พระเจ้าได้โปรดท่านยัสะกุลบุตรพร้อมด้วยครอบครัวครอบครัวของท่านก็มีพ่อมีแม่มีอดีตปัญญาบรรลุมะขลเป็ น, รบบนพระโสุนบรภัณฑ์เพยสะเองฟังครั้งแรกก็บรรลุเป็นพระโสบบุนบรันฑ์ฟังธรรมเทศนาซ้ําเรื่องเดิมที่หนึ่งก็บรรลุมะขลเป็นพระหานออกบุตแลว้วไปเรียกกระตุ้นให้ สหายอีก54ท่านมีชื่อปรากฏในคมพีอยู่4ท่านไม่ปรากฏอยู่ห0สท่านก็เข้ามาปวดก็ทำให้โลกเกิดพระหันขึ้น61รูปทังพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ได้ส่งพระหันเหล่านั้นไปเผยแผ่ศาสนาโดยพระพุทธดำรัสที่ คณะสงฆ์ถือเหมือนกับเป็นธรรมนูญในการทํางานเผยแผ่พ ร, ระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นอุดมการในการทํางานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราสั่งในครั้งนั้นเป็นเจความว่าภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากปวงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้เธอทั้งหลายก็พ้แล้วจากปวงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ขอให้เธอทั้งหลายจงเที่ยวจะริกไปเพื่อประโยชน์คือกูลแก่ชนเป็นมากความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์คือกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงแสดงธรรมันงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะ คนที่กิเลสน้อยเบาบางนั้นมีสุ่แต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังทาก็จะเสื่อมจากธรรมะเหล่านั้นคนที่สามารถบรรลุธรรมะนั้นจะมีมรับสั่งอยายกยายกันไปทิ้แต่หนึ่งรูปเพราะว่าพระอย่างจำนวนเพียงหกสิบรูปเท่านั้น และส่งสรุปในตอนสุดท้ายว่าแม้เราเองก็จะไปยังรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมบนเส้นทางจากอิสิปตนาถึงรุเวลาเสนานิคมนั่นเองก็ได้พบ ก, กับัตะวคีหรือเป็นคนที่เรียกว่ามีฐานะทางสังคมสูงก็เที่ยวตำนองปิกนิกพร้อมด้วยปัญญาแต่ว่าเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญญา ในจำนวนสามสิคนนั้นคนหนึ่งไม่มีปัญญามาด้วยคือไม่มีปัญญานะยังไม่มีปัญญาคนนี้ก็ไปจ้างหญิงนครโซโเพณีมาเป็นเพื่อนเที่ยวพวกคนเหล่านี้ได้นําสนั ก, ส น, ก, ส, นกสนุกสนานกันเนี่ยหญิงโสนครโซฟเฟณีก็หยิบสวยเครื่องประดับที่ก็ถอดกลองไว้เ น, น, นี่ก็หนีไปคนทั้งหกสิบคือทั้งสามีปัญญา ก็เที่ยวติดตาม ต, ตามแล้วก็มาพบกระโภตได้เจ้าพระกราทูลถามว่ามาสาํานะกท่านเห็นผู้หญิงบ้างไหมผู้เจ้ารับสั่งถามว่าเธอจะตามหาผู้หญิงดีหรือว่าจะตามหาตนดีเป็นคาที่ไพเราะมากนะครับมันกระตุกอย่างแรงที่ให้ท่านเหล่านั้นหยุดคิดถึงเรื่องผู้หญิงเรื่องประดับก็คิดว่าควรจะแสวงหาตนดีกว่า ในสุดพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะให้ฟังแต่ก็บรรลุมรคผลเป็นพระนาคามีแต่ปัญญาของท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้บอกไว้นะฮะเพราะเป็นยุคแรกแล้วต่อจากนั้นจึงเสด็จไปโปรดท่านรู้เวลากัรสัปปะต้องใช้ปฏิหารต่างๆคืออิทธิฤทธิต่างๆในมากเดี่วการ น, นับปฏิหารเนี่ย มันเป็นการนับตามจํานวนคนเพราะดูแล้วจึงมีทั้งสามพันห้าร้อยปฏิหารแท้จริงก็เจดินก็มีห้าร้อยเพราะหมายความมาแสดงครั้งหนึ่งก็คือห้าร้อยครั้งที่สองก็คือพันครั้งที่สามก็พันห้าครั้งที่สี่ก็สองพันแล้วครั้งที่ห้ามันก็สองพันห้าครั้งที่หกมันก็สามพันพอครั้งที่เจ็ แล้วก็สา0พันหรอยก็หมายความสแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยเจดครั้งแก่ชะดินแต่ละคนเขานับตามจดหนดคนซึ่งการนับเป็นลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับที่เราสวดลักขีอะไรเนสวดอ e ิติปิโสแสนจบคือไม่ได้นับที่จบแต่ว่าคนเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยนมะาสวดแต่ละคนต่างก็นับของตัวเอง วันสมมุติวราหมื่นคนแล้วก็สวดกันสิบจบมันก็ได้แสนจบก็ท่านั้นเนี่ยคือวิธีนับเขาแล้วท่านบอกว่าพระเจ้าทรงสแสดงอธิปรยาเยสูตรโปรดท่านอนดีตปุราณชิ ด, ดินทั้งห้าร้อยทั้งทั้งหนึ่งพันนะฮะจนบรรลุมรรคผลเป็นพระหันแล้วท่านก็เล่าถึงการเสด็จไปโปรด พระมหากระสปะซึ่งบวชอุชิตพระอาหารหันต์ในโลกสิ้นระยะทางสามข่าวุธเนื่องจากพระมหากระสปะตอนนั้นท่านบวชแล้วคือท่านโกนผมนุ่งผมผ้ากาสาวัติ์แล้วจึงไม่ได้มีวิธีบวชให้ก็ถือว่ายอมรับไปโดยอัตโนมัติเพียงแต่ทรงประทานพระโอวาทสามข้อ พระมาสปะได้ฟังแล้วไม่เท่าไหร่ก็แปดวันน่นะ<ม>บรรทุมักคผลเป็นพระหันแล้วต่อมาท่านก็เล่าเลยไปจนถึงคือปุกุสาติกุลบุตรเนี่ยมันมีชีวประวัติคล้ายๆกับการมณิ์ในเรื่องการมณิ์วาสิทธิได้ทราบเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า ซึ่งแผ่ไปที่จริงท่านอยู่ถึงตักกศิลานะยัานก็อยู่ในเขตปากีสถานในปัจจุบันเราต้องการมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาด้วยมามาหมดแรงมาไม่ได้ตัวเองก็เดินนะเดินไปเดินมารองเท้าก็ขาดรองเท้าขาดเพงเดินเท้าเปล่าเดินไปเดินมาเท้าบวมระบมหมดเราจ้องครานด้วยเขา คืแสดงถึงสรัทธา ม, มากว่าในชีวิตเนี่ยต้องเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็ต้องรีบไปเฝ้าด้วยหรือกลัวว่าชีวิตของตนเองจะอยู่ไม่ถึงวันเข้าฝ้าพระพุทธเจ้าถท่านทั้งหลายคงนึกว่าแนวความคิดของคนระดับเนี้ยมองเห็นความตายเนี่ยปรากฏอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นาจะรีบเร่งกระทําความดีในขณะที่เรียลแรงความเพียรพยายามของท่านยังดียอยู่ ก็ทำนองคล้ายๆกับพระพายยะธุจิรยะที่เคยเล่าให้ฟังว่าพอ ร, รู้ข่าวมีพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็รีบมาเฝ้าเดินระยะทางทั้งร้อยห้าโยชต์พักครั้งเดียวนะคือทั้งวิ่งทั้งเดินกรีบมากลัวตัวเองจะตายจะก่อนไม่ทันได้เฝ้าพระเจ้าความคิดไม่จะเล่นนะคมมากๆท่านปุกุสาติกุลบุตรก็มีลักษณะอย่างนั้นพระเจ้าได้เสเด็จไ ป, ปโปรดระยะทางไกลามากถึงห้าสิบโยต์ ถึงสิบห้ายศหมายความยังไงหมายความว่าถ้าปล่อยท่านเดินมาเนี่ยท่านท่านไม่มีทางมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าท่านครานแล้วนี่เป็นกแสดงถึงพลังศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดไปรับก็ต้องนองเสด็จไปตอนรับแล้วทรงเทศนาโปรดท่านปุกุสาติก็บรรลุมรผลเป็นพระนาคามี นี้ก็มีพวกพระมหากรพินนะซึ่งเคยเล่าให้ฟังนะเรื่องนี้พระมหากรพินนะกับพระนางอโนชาเป็นกษัตริย์กับป ร, ราชินีออกบวชอุทิศพ ร, ระพุทธเจ้าหมายความว่าถวายมอบกายถวายชีวิตต่อพระเจ้าทั้งท่านในตัวเองไม่เคยเห็นนะเพียงแต่ว่าได้ข่าวจากพวกค้าที่มาจากเมืองสาวัตถีเท่านั้นเองทิ้งสมบัติทั้งหมดขึ้นมาพร้อมด้วยอามาตตามสเสด็จ ผ่านแม่น้ำสามแม่น้ำอธิษฐานขอพุท ธ, ธานุภาพให้ไปได้เราก็ระมาวิ่งไปบนผิวน้ำได้ทั้งสามแห่งโดยพุท ธ, ธานุภาพพระเจ้าเสด็จมาตอนรับท่านเหล่านั้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชื่อจันทร์รับภากาแล้วก็ทรงแสดงธรรมโปรดบันรุมังลเป็นพระหันและพระเทวีคือพระโนชาเทวี กับพัญญาของอามาตะทั้งทังทั้งร้อยท่านนะทั้งพันท่านที่บวชตามสเสด็จเป็นสามีทิ้งสมบัติมหาสารไว้ให้ก็ไม่ยอมรับสมบัติแถานั้นเขาบวชตามสเสด็จโดยอุทิศพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้ญญาก็ส่งส่งไปให้พระนางมหาภิศาบดีโคตมีนี้แสดงว่าเรื่องที่ท่านนํามาคุยเนี่ยท่านนํามาคุยข้ามไปเยอะอน่ะ เราช่วงนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นช่วงหลังๆคือช่วงค่อนไปทางกลางแล้วกางพุทธสมัยไปแล้วพิกษูนีบวชแล้วนะฮะก้ น, นี้ก็เสด็จรัชทางย0สิบโยต์ไปต้อนรับพระหมากับีนาซึ่งเป็นกษัตริย์แล้วต่อมาก็เสด็จลำพังพระองค์เองอีกอันนี้ก็คือไปต้อนรับท่านองคุลิมาน ไปทรมานท่านองค์กริมาเดินลำพังพระองค์30สโยชนะฮะไม่มีใครตามเสด็จอย่างที่เคยเล่าฟังว่าพระพุทธเจ้าเวลาเสด็จไปโปรดใครถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยจะไม่พาใครติดตามจะไปลำพังพระองค์แล้วก็ทํางานทะเสด็จทุกทีเรื่องใหญ่ๆมากๆอย่างเงี้ยพการทรมานพระองค์กริมานในคราวนี้ก็ใช้ระยะเวลาทางระยะทางถึง30โยชน ปรับเปลี่ยนนิสัยของพระองคุลิมานจากโจรโหดร้ายทิ้งดาบฟังพระธรรมเทศนาบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระหันแล้วก็ต่อจากนั้นก็เสด็จโดยทางสามสบโยชนเหมือนกันไปโปรดท่านอารกยักษ์อันนี้ก็เคยเล่านะฮะในพุทธชัยมงคลคาถาการโปรดอารกยักษ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุให ได้ช่วยเด็กคนหนึ่งชื่อหัตถาอารวากะอุบาสกถึงต่อมาเป็นอุบาสกที่มีความสําคัญเป็นพระณาคามีแล้วก็เป็นอุบาสกที่มีบทบาทต่อพระพุทธศาสนามากท่านหนึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นถึงคือเราดูแล้วในเรื่องหัตถาอารวากะนี้น่าจะก่อนนะฮะน่าจะก่อนเรื่งประมาณกบินาแต่ท่านก็เล่ากันไปนอย่างนั้น แล่จากนั้นก็บอกว่าพระเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์เชนดาวดึงดึงอันี้ก็ท่านผู้ฟังคงนึกออกเรื่องเทวโรอนณะที่ที่พระเจ้าเปิดโลกคือคราวหนึ่งเนี่ยพระเจ้าได้แสดงที่รีกเขาจะมุกปาฏิหาริย์คือใช้อิทธิฤทธิโดยตรงเลยเนี่ยคเพื่อทรมานปราบพวกไอ้นักบวชเกียกะทั้งหลายพวก ก็ เ, เรียกอัญญะเดียติทั้งหลายนีย่ที่จริงก็ไม่ใช่อัญญะเดีพวกเดียวหรอกนะพวกทั้งเจ็ดนิกายหก น, ะ 6, นิการหกพวกโดยการแสดงยมกปฏิหารที่ต้นคันธารมะพฤกคือต้นมะม่วงชื่อขึ้นคันธามะแล้วก็ในที่นั้นเองก็ปโปรดพระพุทธมานดาซึ่งเป็นเทพประบุตรอยู่ที่สวรรชั้นดุสิต แต่ก็พระพุทธเจ้าเสด็จไปแค่สอนชันดาวดึงดึนะดึงดาวดึงแล้วยามแล้วก็ดุสิ์เพื่อต้องการให้เทพประบุซึ่งเป็นอดีตพระนางสิม า, มามายาเนี่ยมาเดินทางมาฟังธรรมจะได้บุญจากการฟังธรรมจะได้บุญจากการเดินทางด้วยนะฮะมาจา่วไปเทศเป็นถึงบ้านหลังการที้ทั้งหลายอุตสาหพยายามมาฟังเทพของธรรมในวัดเนี่ยจริงๆมันก็บุญ โดยการเดินทางโดยการพยายามขมใจห้ามใจต่อสู้กับรถจิตนี่มาได้เนี่ยก็ถือจริงก็เป็นการเพิ่มบุญนอกจากการทำบุญส่วนอื่นในคราวนั้นได้ช่วยเทวดาถึง80โกรธบนลุมรรคผลหลังจากนั้นก็เสด็จไปที่พรหมโลกอันนี้เคยเล่านะครับเคยเล่าเรื่องพระกาพรม ที่เคอบอกว่าพระกาพรมนั้นคัดค้านและชี้เรื่องอนิจจตาเกี่ยวกับเรื่องของไม่เที่ยงแห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายเนี่ยคือพรหมก็เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้แน่นอนแต่ก็การที่พระเจ้าไปสอนเรื่องไม่เที่ยงเนี่ยท่านก็ถือว่าไม่ถูกต้องพระเจ้าจึงเสด็จไปทรมานทำลายทิฏฐิคือความเห็นผิดของพรหมหล่นและทรงประทานอรหันต ความว่าช่วยให้พมรมบรรลุมรรคผลเป็นหมื่ น, นจากนั้นเสด็จไปสา ม, มนทนตามลำดับนะประทานสาระบ้างศีลบ้างแก่มนุษย์ที่มีอุปนิสัยนะประพฤติประโยชน์มีประการต่างๆแก่สัตว์ดิบสารแม้นาคแม้ครุฑเนี่ยคืนนี้แสดงว่าท่านนึกเรื่องตรงไห น, นท่านก็นมาเล่ามาคุยกันมันอัศจรรย์ น, นยฮนะ เป็นเรื่องแตเรื่องเนี่ยสัจจันท์เราจะเห็นว่ามีนาคมีครุฑมียักษ์มีมหาโจรมีพระราชามีพระราชนีมีฤษีมีนักบวชประเภทภิกษุมีนักบวชประเภทปริพาชกอะไรต่างๆแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอำนาจอิทธิพลมหาศาลทั้งนั้นเนี่ยแต่ก็กลับเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้พระท่านกมาประลบกันแล้วก็คุยกันก็เห็นว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ ทีนี้ก็เป็นพุทธกิจอีกประการหนึ่งเวลาพระท่านคุยกันเนี่ยมีปัญหาขัดแยง้งมีปัญหาสงสัยหรือออกเกี่ยนนอกเรื่องไปหรือมีเรื่องที่น่าจะเพิ่มเติมพระเจ้าก็ส่งสดระพอได้จังหวะแล้วก็จะเสด็จแต่ก็จะรับสั่งถามท่านเหล่านั้นว่าคุยกันถึงเรื่องอะไรท่านเหล่านั้นก็จะกราบทูลเรื่อง ที่คุยกันแล้วพระเจ้าจะปรารบเรื่องตรงนั้นแหละเรื่องที่ที่คุยกันนั่นแหละจะเป็นเหตุบอกว่าไอาการที่เป็นอย่างเงี้ยที่ที่ตถาคตทาอย่างนี้ในขณะที่เราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่อัศจรรย์อะไรหรอกแม้แต่สมัยที่เรายังมีกิเลสยังมีราคะมีโทสะมีโมหะอย่างสามัญชนทั่วไปเนี่ยเราก็เคยทำประโยชน์ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นหน่มากพิสูนทั้งหลายก็กราบทูลเพื่อต้องการทราบเรื่ององชาดกนั้นเราก็พบว่าชาดกมันก็มีลักษณะอย่างนี้ว่าพื้นฐานของพระโพธิสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่สามัญอย่างมนุษย์หรือท่านคิดท่านทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กื้อกูลแก่ชนมาตลอด เพียงแต่ว่าจะทำได้มากหรือได้น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพของท่านในขณะนั้นนั้นแต่สรุปว่าเป็นลักษณะของมาหาบุรุษคืออัจฉริยะในี้ประกอบด้วยความเมตตากรุณาต่อคนอื่นถ้เห็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่นคนอื่นก็ต้องการจะช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ให้เมื่อพิสุกราบทูลถามถึงเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ก็รับสั่งเล่าว่า ในดิตการสมัยาศาสนาของพระกัสภะสมาสมพุทตเจ้าพระเจ้าอุตสินนรราชครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครพารณาณสีแต่ว่าหลังจากพระกัสภะสมาสมพุทธเจ้านิพานแล้วนะครับคือเมื่อพระองค์ได้ช่วยเทศนาสั่งสอนแก่ประชาชนจนเสด็จดับกันธปนิาพานไปเนี่ย เวลาผ่านไปผ่านไปคนเริ่มห่างเหินศาสนาออกไปโดยลำดับและติดไร้ยที่สุดก็คือว่าพวกกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายทั้งภิกษุภิกษุณีวาสสกปสิกายภิกษุทั้งหลายเองก็เลี้ยงชีพแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบไปควร ก็เรียกว่าอะไรก็ตามขอได้เงินแล้วกันท่านเหล่านั้นก็พร้อมที่จะประกอบอาชีพเพื่อจะได้เงินทองเหล่านั้นทีนี้ในวงจรของสังคมมนุษย์เนี่ยไม่ได้เจาะจงอายุยุคใดสมัยใดเราจะพบว่าพวกเงินพวกเพศนะฮะเรื่องเพศตรงขํามแล้วก็เรื่องอํานาจเรื่องบริวารเนี่ยมันมันมันจะ อ, อิงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นวงจรที่ ซึมเนื่องมาจากกิเลสภายในใจของมนุษย์พราะพวกพระเหล่านั้นพระในยุคนั้นนะ น, นะฮะเมื่อท่านหากินในทางที่ไม่ชอบไม่ควรมากขึ้นไอไ้รายได้มันก็มากขึ้นแล้วในสุดก็ชอบใจพอใจกับพวกนางภิกษุณีก็จับคู่เป็นรัมมีพันยา ก, กันจนมีลูกมีเต้าแต่ว่ายัางคงเพศเป็นพระอยู่นะพวกบสณงบัิการเองแล้วก็แม้แต่พวกพรามเอง ว่าโศงซึ่งอย่างน้อยที่สุดนี่ควรจะมีศีลห้าเป็นหลักในการดัเนินชีวิตแต่ก็ไม่รักษาศีลห้าผู้พรามเองซึ่งเคยทำพิธีบูชายันเป็นผู้เคร่งครัดในวัดปฏิบัติตั้งหลายก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้อกุศลกระ บ, บ ท, ทั้งสิบประการนะะในแก่การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเลวไหลโลบอยากได้ของคนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเหตุผิดยตทงนงคองธรรมมันเป็นการประพฤติกระทำย่ำยีกันแพร่หลายจากจุดนี้ท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่า มันก็เหมือนกับเหตุการณ์ในยุคสมัยสมัยปัจจุบันคือในสมัยนี้เพแทบเราอยู่ไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรแล้วก็หลายชาติที่เริ่มประรบถึงพิษภัยอันตรายต่างๆจากการล่วงละเมิดศีลธรรมไปจากสภาพเวดล้อมไปจากการปฏิบัติตน ห่างเหินจากศีลธรรมของบุคคลทั้งหลายออซึ่งเมื่อเรารวมแล้วทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องอะไรก็ตามตีกลายเป็นศึกสงครามในประเทศต่างๆชาติเดียวกันรบ ก, กันะชาติชาติต่างๆรบ ก, กันตลอดถึงหลายๆชาติรวมรบ ก, กัน สรุปแล้วก็คือเป็นแรงผลักดันของความโลภคงกดความลงที่มีผลออกมาในรูปของการทำลายล่างชีวิตทรัพย์สินคู่ครองแล้ว่าใช้วาจาเท็จหยาบวาจาเท็จวาจาสดเสียดคำหยาบแล้วก็เพื่อเจิดเ็วไหลมันก็อยู่ในแวศพงตรงเนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกยุคไหนสมัยไหนมันก็เป็นอย่างนั้น มันน่ก้ก็บูชาก็รับสั่งเล่าว่าสรุปแล้วเนี่ยคนมันตกอยู่ภายใต้กระแสของอากุศลกำบุตรถึงหมายความว่ามันก็เป็นอันตรายแล้วคนจะอยู่ดีมีสุขยังไงในด้านเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามีปัญหาทางสังคมแล้วในจบสิ้นกันเนี่ยเราเห็นว่าปัญหายอย่างอื่นมันก็เถื่อนไปหมดเลยเศรษฐกิจ ก, ก็เทือนนะฮะ การเมืองก็กระเทือนการทหารก็กระเทือนถ้ามีปัญหาทางสังคมเพราะจริงๆแล้วทั้งการเมืองเศรษฐกิจทางกา ร, รษษทาารหารมัน ก, ก็คือบุคคลภายในสังคมแต่ถ้าบุคคลภายในสังคมเป็นผู้ขาดศีลขาดธรรมไม่มีศีลมีธรรมเป็นหลักน้อมนำจิตใจแล้วความเสื่อมในด้านาต่างๆก็จะเกิดขึ้น ทศ ก, กัเทวราชเองได้สวจสอบดูพวกเทพบุตรเทพ ธ, ธิดาใหม่ๆว่ามีใครจุติมาอุบัติตรงนี้บ้างไหมมันไม่มีมีเทพุตรเทพ ธ, ธิดาก็หายไปหายไปแล้วก็มีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเนถ้าเกิดสงสัยเอ็มเป็นอะไรไปโลกมนุษย์เป็นอะไรไปทำไมจึงไม่มีคนทําความดีอะไรกันเลยหรือจึงไม่มีใครมาเกิดใหม่ได้อันนี้ก็ลักษณะอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงอุปมาเล่าว่า ในกระแสของสังสารวัฏเนี่ยการหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏนั้นเหมือนเราโยนท่อนไม้ขึ้นบนอากาศเอาปลายลงบ้างเอากลางลงบ้างเอาโคนลงบ้างนะแต่มันลงแน่นอนน่ะนะเพราะชีวิตในสังสารวัฏเนี่ย การเวียนว่ายตายเกิดในสางตรวัตนั้นคนอาจจะตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์เป็นตกนรกเป็นสัตว์ดิบฝานเป็นเปรตเป็นอนุรกายได้บรรเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรโปร่งโปร่งลงน้ำก็ตกลงมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ได้คือหมุนวนกันอยู่เงี้ยท่านใช้คําที่เจอบ่อยนะว่านรกนั้นแอจะแยกเยียดด้วยสัตว์นรกพยากรณ์สวรรค์เกิดว่างพยากรณ์นรกเกิดล้น นี่ก็คือภาพจริงๆในสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะในยุคใดสมัยใดที่มีปัญหาในด้านคุณธรรมในด้านจิตใจของคนมากความเดือดร้อนทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นแพร่กระจายขยายวงกว้างไปเรื่อยๆจนบางทีก็เป็นปัญหาระดับโลกอย่างที่เราทราบกันเพราะฉะ้น พระสกเทวราชจึงคิดว่าทํำยังไงพวกมนุษย์พวกนี้มันจะได้สํานึกที่จะย้อนกลับสู่หลักศีลธรรมหลักศาสนาได้ตัวนี้การมันสาหัสแล้วนะฮะกระเสียนว่าไปเอาคนเหล่านี้มาเทศทำให้ฟังอะไรอะไรมาอบรมมาเข้าหลักสูตรนี่เป็นไป ไ, ไ, ไม่ได้แล้วมันทําไม่ได้แล้วมันก็ต้องมีอย่างหนึ่งก็คือใช้อาจยาคือขู่ให้กลัวมีวิธีขู่ให้กลัว ก็เรามองดูภาพแล้วนะฮะใล้ๆก I mean? ับมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสงครามหรือมาตรการทางราชการบางอย outez, ่างเช่นมีนักโทษแล้วก็มีผู้คุมมีมาตรการที่คุมคู่ต่างๆนะฮะเพื่อให้เกิดกลัวได้ทำไม่ไม่ทําความชั่วแต่นั้นเองที่จริงกฎหมายเหล่านั้นน่ะถ้าเราไม่คิดทําความชั่วแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรก็มันอยู่ในกระดาษอ่ะมันทําอะไรใครไม่ได้หรอก นอกจากว่าคนไปทําความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้กฎหมายมันก็ออกมาจากกระดาษก็โดยการจะทํำกับตํารวจบ้างอยายการบ้างศาลบ้างไงนะฮะตามที่เรารู้จริงๆเนี่ยไม่ใน บ, บทบัญญัติกงกฎหมายมันไม่มีความหมายอะไระถ้าหากว่าไม่มีใครล่วงละเมิดยสมมุติว่ า, าคนคอรัปชันแล้วจะฆ่าจะทุ่โคตรอย่างเนี้ฮะแต่เราไม่คิดจะคอรัปชั่นเรไม่ต้องกลัวอะไรอกฎหมายแบบเนี้ย ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะในวิธีขู่ให้กลัวเนี่ยมันจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ใช้หมายความว่าเอาฮีริโอตปะออกลัวบาสจริงๆมันมันเอามาอยู่แล้วนะตอนนั้นท่านก็รับสั่งให้มาตุลีเทพบระบุปลอมเป็นสุนัข กัวดำใหญ่เท่ากับมา้าขนาดใจนะฮะมีดุร้ายมากแล้วมีเขี้ยวโตเท่าผลกล้วยมีรัศมีร้อนเหมือนไฟพุ่งออกจากเขี้ยวทั้งสีมีรูปมันน่าสะพึงกลัวนะยิงมีคันเห็นเข้านี่อาจช็อกแทงโลกได้เลยแล้วก็มีเชือกผูกไว้ห้าแห่งที่เท้าทั้งสี่แล้วก็ที่คอ บนศีรษะเองก็ประดับ ด, ด้วยป้ายด้วยป่มลายผมก็ดูท่าทางน่ากลัวนะท่าตกะเองก็ปลอมพระองค์เป็นพราม์เป็นนายพรานนะรุ่งผ้าแดงเอ่อนุ่งผ้าผมย้อมน้ําฝาดนะแต่ก็มุ่นผมไว้แล้วก็ประดับด้วยดอกไม้แดงมือขวาก็ถือเชือกผูกสุนัขมือซ้ายก็ถือธนูใหญ่มีสายแล้วก็ประดับด้วยแก้วส่องวันกวัดแควงไว้ชีราว วิรวุธนั้นก็เป็นอาวุธประจําองค์ของท้าสกัดเทวราชมีลักษณะเป็นเพชรนะนะฮะก็เออท้าสกะเทวราชพร้อมด้วยมาตุลีซึ่งปลอมเป็นสุนัข ก, ก็เคาะลงกลางเมืองพาราณสีผู้มนุษย์ทั้งหลายก็เห็นเนี่ยสุนัขเขาก็ส่งเสียงเห่าอย่างแรง บอกว่าโลกนี่จะพินาศจะทำให้คนมันหวาดกลัวก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงจนถึงกับเข้าหนีเข้าในวังประชาชนเองก็ตกใจรับสั่งให้ปิดประตูหมดเลยทั้งบ้านเมืองทหารกะก็โดดข้ามกำแพงซึ่งสูงมากนะสูงตึงสิบแปดศอก แล้วเข้าไปข้างในพระนครพร้อมด้วยสุนัขมนุษย์ก็กลัวต่างก็ปิดประตูหน้าต่างไปสุนัข ก, ก็ทําทีวิ่งไล่มนุษย์เนี่ยที่ตนได้เห็นพวกมนุษย์ก็หวาดเสียวเข้าไปในวังอะไรทีนี้ต่างต่างคนต่างก็กลัวลนลานไปไปเจ้าอุสินราชก็พานางสนมทั้งหลายขึ้นไปปราศรไปสุนัขตัวใหญ่นะก็ยกเ้าหน้าขึ้นแล้วเกาะบานประตูเลือกเข่าลั่น่ เสียงห่าของสุนัขนี่สนั่นลั่นลื่นกระเทือนไปถึงบอกว่าอเวจีมารนรกและข้างบนถึงพระคาวะพรหมเขาเรียกว่าสกลจกักรวาลสั่นสะเทือนอันนี้ในชาดกท่านก็บอกไว้นะฮะว่าการการการที่มีเสียงดังอย่างนี้มันก็มีปรากฏในปุณน a ราชในปุณน a ชาดกแล้วก็เสียงของพระยาสุทัศนะนาคราชในเรื่องภูริทัศน์จึงเราเคยพูดกั น, น แล้วก็มาเนี่ยม า, ากันหาชาดกพระนชาดกที่ว่าด้วยหมาดำตัวใหญ่นะฮะม า, ากันหาก็คือหมาดำตัวใหญ่แต่นั้นเดงชาวบรคอก็พากันสะดุ้งกลัวตกใจแม้แต่คนซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งร่างกายแข็งแรงนีฮะก็ไม่กล้าคุยกับทาสกะเทวราชซึ่ ง, ซ, งซึ่งอยู่ในเพศของนาพราเนี่ย เตพระราชาคือท้าวอุดสินน ร, ราชเนี่ยท่านท่านมีพระไทยมั่นคงท้าก็สอบถามว่าสุนัขของท่านเนี่ยเห่าเพื่ออะไรทัศนกะก็ตอบ ว, ว่าเข่าเพราะความหิวพระราชาก็รับสั่งให้เข้าแก่สุนัขปุงให้เยอะนะแต่ก็สุนัข ก, กินทีเดียวหมดเลย เอาหารที่เตรียมจะเลี้ยงข้าราชบริพารจำนวนมหาศาลมาให้มันก็กินคําเดียวหมดเลจนในที่สุดก็ทํำยังไงก็พปกิดีมแล้วก็ข่าวอีกก็ทรงสดับว่าเวลาเนี้ยสุนัขมันยังหิวอยู่อาหารก็เอามาทั้งหมดที่ปรุงไว้ให้ช้าอาหารชาอาหารสาระแต่แต่เอามาทั้งหมดเลยมันก็กินคําเดียวหมดเลย ทีนี้พอเห็นมันกินตำนองนั้นโอโอหมันน่ากลัวก็จะสงสัยนายนพรานเนี่ยเลี้ยงสุนัวไาทำอะไรมันกินมากมายกล้กองอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่หมาธรรมดานะคงจะเป็นยักษ์อะไรเนี่ยแล้วในสุดก็รับสั่งถามนายพรนยานแล้วทางถามนายพรานถึงเรื่องของสุนัขตามลำดับนะว่าท่าน ม, มีความเพียนสุนัขดำตัวเนี้ย มันรุร้ายมีเขี้ยวยาวมีความร้อนพุ่งออกจากเขี้ยวท่านผูกไว้ด้วยเชือกห้าเส้นสุนัขของท่านทําอะไรนายพรานคือเท้าสกาัดเขาบอกว่าสุนัขตัวนี้มาเพื่อต้องการจะกินเนื้อแต่ไม่กินเนื้อนะอื่นเนื้ออื่นมิ่กินเนื้อสัตว์เนื้อช้างเนื้ออะไรไม่กิน น, นั้นๆต้องการกินเนื้อคนเมื่อใดที่สามารถจะ จกมีมนุษย์ทําความไป น, นะคือหมายความว่าคนเลวทั้งหลายเนี่ยคนพวกไหนก็ตามก็ตามอันตรายทำภัยอันตรา ย, ยแล้วตัวนี้มันจะมากินจะมากินมนุษย์พวกเนี้ยทีนี้ปัญหาว่าคนอย่างไรเรียกว่าคนเลวทรามหรือคนอันตรายที่มนุษย์มากินเถ้าสกาัเทวราชซึ่งอยู่ในรูปของนายพราน ก็นำเอาพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคนั้นทั้งหมด น, นนะฮะนเอาพฤติกรรมทั้งหลายที่เป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็ละทิ้งศีลธรรมตะมีอยู่เกลีกลาดไปหมดเนี่ยเข้ามาสรุปเป็นชุดเปชุดเป็นชุดไปเลยนะพวกแรกก็คือว่าพวกปฏิญาณตนเป็นนักบวชเป็นสมณนะมีบาทในมือนะโกนหัวคลุมผ้าสังกติ ได้ลกลับไปประกอบอาชีพแบบชาวบ้านนะฮะคือ ท, ไไทําไร่ไถนาคนเหล่านี้ไหวไม่ได้นะทุสินมีชีวิของเราสุนักก็จะฆ่ากินเนื้อได้เมื่อใดสุนักก็จะหลุดจากเชือกแล้วไปกินเลยคั่วนะแล้ว เ, เนี่ยคือหมายความว่าคนที่อยู่ในเพศ น, นักบวชแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ของนักบวชจะกลับไปประกอบอาชีพแบบชาวบ้าน อายุสมัยนั้นถ้าก็อ้างถึงการทำนาแต่อย่าลืมว่าอาชีพก็คืออาชีพนะฮะหมายความใครอยู่ในเพศของนักบวดแต่ว่าไปประกอบอาชีพแบบชาวบ้านเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ท่านจะให้สุนัขเนี่ยไปกินอันนี้อันนี้พวกหนึ่งนะฮะทีนี้พวกหนึ่งก็คือพวกผู้หญิงที่ปฏิญาณตนว่ามีตบะ บ, บวช คนหัวเหมือนกันนะบทเหมือนกันกลุมผ้าสังกติแต่ว่ามีสามีแลว้วก็มาภิกษุณีหรือนักบทหญิงที่มีสามีนะหมายความว่าถ้ามีสามีก็คือนักบทชายก็มีพัญญาอย่างที่ว่าไว้เนี่ยเป็นคนเลวด้วยกันทั้งคู่เพราะฉนั้นชุนักตัวเนี้ยมันมันมันมันจะสลัดเชือ่อที่ที่ล่ำขาไว้เนี่ยแล้วก็จะไปกิด ไปยินผู้หญิงกลุ่บนี้ที่ประการต่อไปก็คือผู้นักบวชอื่นเรา บ, บอกว่าชั้นดินทั้งหลายที่มีหนวดอันยาวมีฟันเครือมีศีรษะเครือขั้วดูทุรีเที่พิการจารย์คือเป็นนักบวชประเภทชั ด, ดินเนี่ยเขาไว้ผมยาวก็ไม่ตัดผมก็ไม่สระผมแล้วก็ฟันเนี่ยก็ไม่แปลงนะฮะมีขี่ฟันเครือไปหมดแล้วร่างกายส่วนมากก็จะคลุกขุ่นเปื้อนฝุ่นด้วยทุรีทั้งหลายเนี่ย ทำทีว่าเป็นคนที่มีตรบัตแต่ในขณะเดียวกันมันก็เก็บทรัพย์สินเงินทองไว้ให้กู้สแสดงว่านักบวชเนี่ยให้เงินกู้นี่ไม่ได้แล้วก็ชื่นชมยินดีด้วยดอกเบีย้ยเลี้ยงชีพพวกนี้สุนัขมันก็จะหลุดไปกินผู้ชดจดินเหล่านี้เหมือนกันนี่คือเอานักบวชก่อนนะฮะนักบวชก็เอามาสามประเภทคือเป็น เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นชนินประการต่อไปคือพราหม์เป็นหมดทุกพวกนะฮะเป็นหมดทุกพวกเลยคือละเลยภาระหน้าที่ของตัวเองเดีย๋ยวเราจะมองโดยสรุปแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีสถานะถ้ามีสถานะมันก็ต้องมีหน้าที่แต่ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้ทําหน้าที่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องการสถานะ สนญาของความเป็นพระได้รับความเคารพหถือรับสักรรมรือเสียงศรัทธาจากประชาชนที่จริงมนด้วยการที่มีความรู้ดีและการปฏิบัติดีแต่ว่าท่านเหล่านี้ก็กลับไปประกอบอาชีพในขณะเดียวกันถ้าท่านรักจะประกอบอาชีพก็ไม่ว่าอะไรก็สึกก็จกแต่ท่านก็ยังอยากจะได้สถานภาพของความเป็นพระอยู่ด้วยและในขณะเดียวกันก็อยากจะมีเมียด้วย จึงต้องประกอบสมาชิกต้องประกอบวิชาชีพอย่างนั้นพิเศุนีก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าตัวก็อยากจะเป็นพิเศษนี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะเป็นพัญญาด้วยซึ่งซึ่ ง, งมันมันมันเป็นไม่ได้นะฮสองอย่างนี่เป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเป็นชีวิตที่มีปัญหาพวกเช็ดดินก็เหมือนกันโดยลีลาโดยรูปแบบแล้วเนี่ยเป็นผู้เสียสละไม่สนใจแม้ในร่างกายของตัวเองแต่ว่า ก็เอาเงินมาให้คน ก, ก, กู้แล้วกเก็บดอกเบี้ยแล้วก็นอนกินดอกเบี้ยนะฮะแล้วหาเงินให้เขากูก้กินดอกเบี้ยมันก็มีชีวิตแบบค า, าราวาสถ้าคาราว่าสก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะเห็นไหมว่าอาชีพเหล่านี้ที่จริงแล้วสมัครคาราวาสเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นเฉพาะองค์นักบวชนักบวชสามประเภทนะประเภทต่อไปคือพระ ฉันบอกว่าเมื่อใดพราหม์ทั้งหลายเรียนเวทคือสาวิติศาสตร์ยันยวิธีและยันยสูตรหมายความว่าพราหม์เนี่ยจะศึกษาเรื่องฉันเรื่องวิธีบูชายัญ น, นะแล้วก็กําหนดจะเป็นสูตรพวกพวกปุร ก, ก, ก็เก่งมากนะเป็นสูตรเยอะไปหมดเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคือพวกเหล่านี้เรียนขึ้นเพื่อช่วยเพื่อช่วยเหลือประชาชนคล้ายๆกับหม อ, อเวทมนต์คาถาสมัยโบราณนะฮะ เขาเรียนเพื่อช่วยคนอื่นเขาก็ไม่เคยร่ารวยอะไรพรพรามเองก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าคนศึกษา mm hmm. เวทมนต์ในแนวนี้มันต้องเรียนเพื่อช่วยคนอื่นแต่ก็กลับไปรับจ้างบูชาหยัน mm hmm. มันผิดหน้าที่ผิดหน้าที่มันกลายเป็นธุรกิจเป็นวิชาที่เขาสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคน แต่ว่าพวกนี้เอาไปเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจท่านก็บอกว่าสุนัขนี่มันมันมันมันจะสลัดเชือกแล้วไปกินเหมือนกันตกลงว่าสามพวกแล้วนะฮะคือภิกษุภิกษุณีแล้วก็ชน ด, ดินอ่แล้วก็พวกพรามต่อไปมาถึงชาวบ้านก็เริ่มจุกลูกนะฮะเอ็มจากลูกไปเลย ว่าคนใดก็ตามนะฮะบุตริดาใดก็ตามมีกำลังมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งแก่เท่าชราได้แต่ไม่ยอมไม่ยอมเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้แก่เท่าชราคือถือว่าเป็นลูกอักตันอยู่เป็นหน้าที่นะฮะการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเป็นหน้าที่ที่จริงเราก็เปลี่ยนกันนะนะตอรเลี้ยงเรามาที่จริงก็นานกว่าเยอะ แล้วเราก็กินมากเที่ยวมากจ่ายมากแบมีปัญหามากตอนเราเป็นเด็กเด็กจะเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีปัญหาคนแก่มีปัญหาอะไรแต่ไหนท่านเลี้ยงดูท่านมีกี่ปีท่านก็ตายแล้วแต่ว่าลูกไม่ยอมเลี้ยงดูถือว่าผิดธรรมของโลกนะฮะตรงนี้ถือผิดธรรมะของโลกแล้วโลกนี้จะมีอาจารอย่างที่เคยเล่าเรื่องพราหมจราในสมัยพุทธกาลเนี่ย พระเจ้าผูกคาถาให้ไปท่องในที่ประชุมพราหมะผูกพราหมะในที่ประชุมลุกขึ้นจะประชาทันลูกชายพราหมณ์เอาเพระเาะพราม์ไม่เลี้ยงดูท่านลูกของท่านเนี่ยไม่เลี้ยงดูท่านท่านก็บอกว่าคนประเภทนี้หมาดำ ม, มันจะไปกินด้เลยทีนี้ประการต่อไปเนี่ยบุติดาเหมือนกันบุติดาเหมือนกันแต่ว่า ด่าวดูถูกดูหมิ่นพ่อแม่ตัวเองจะโดยรูปร่างโดยการงานโดยความสติปัญญาโดยอะไรก็ตามนะฮะคือแสดงความไม่เคารพนับถือแน่นอนอาจจะเลี้ยงดูท่นานแเลี้ยงบแบบเลี้ยงทาตเลี้ยงแบบเสียไม่ได้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ตะคอกข่มขู่ด่าว่าโง่เข้าอะไรแต่ไดก็แลวแต่จะด่านะฮะอันนี้ถือบาปนะฮะ เป็นการประทุษร้ายต่อบุปการีเพราะอะไรพระลักษณะดูมินเนี่ยมันเป็นอติมานะคือเป็นรูปกิเลสแล้วกล่าวมันก็เป็นคําหยาบแล้วถ้าเรื่องนั้นไม่จริงก็เทสเนีแล้วเทสบางทีก็เคยเจอว่าเรื่อยไปตกลงว่ามันเป็นมันมีปัญหาในด้านมนโนทุจริตกับวจีทุจริตและที่สาคัญย่างยิ่งก็คือไปด่าว่ามันดา่า ไปดูมินมารดาพิดาของตัวเองท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้เหมือนกันหมาจะกลับไปกินเลยตัวลงหลายประเภทเลยนะลกูกหนึ่งสองประเภทที่เกี่ยวกับบุปการีประการกต่อไปก็คือผู้ชายนะผู้ชายที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพัญญาของของคนอื่นในที่นี้ก็อะไรล่ะปัญญาของอาจารย์พัญญาของเพื่อนนะ แล้วตลอดถึงป้าและนา้าเป็นพันยาปืนที่เอาไม่เลือกนะมั่วไปหมดเลยก็ยเรียกว่ายุ่งกับ ญ, ญาติของตัวเองนะฮะยุ่งกับ ญ, ญาติตัวเองพนนี้ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะหมามันจะไปกินนี่ก็คือเรื่องอะไรเรื่องการเมสมิชาจารเรื่องมั่วในทางเพศนะ ภาษาไทยก็ใช้ดีนะแต่จริงใช้สับสนในทางเพศเป็นปัญหาเยอะเราดูแล้วทั้งหมดเนี่ยให้เราตังเก็ต ด, ด้วยทั้งหมดเนี่ยเอามาถึงวางปั๊บเข้ามาเมืองไทยไปนี่มีไหม ม, มีครบหมดเลยมีครบหมดเลยเพราะงั้นถ้าหมาดําตัวนี้มามาเนี่ยฮะก็งคงกินไปได้เยอะเพระกันต่อไปก็คือ ผู้ พ, พรามหมายความว่าพราหม์เนี่ยมันมันมั น, ม, นมันมีอยู่สองพวกนะครับพรามก็เรียกว่าสมณพราหมณ์กับเครือบดีพรามหรือพราหมเครือบดีพรามที่เป็นนักบวชกับพรามที่เป็นเครือบดีแต่คําว่าพราม์ในที่นี้หมายถึงคนรู้ทั่วไปก็แบบเครือบดีพราม์นะครับพวกที่ ใช้อาวุธปร้นจี้คมขู่คุกคามแย่งชิงทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นนะคคือสรุปว่าผิดศีลข้ออธินาทานดูง่ายๆนะเราจับว่าคนที่ผิดศีลข้ออธินาทานเนี่ยพวกนี้สุนัขตัวใหญ่ในมาเพือจะกินคนเราเนีเหมือนกันและประการต่อไปก็คือพวกผู้หญิงนะฮะ นี่ก็ว่ามันทั้งหมดนะทั้งผู้ชายผู้ชาย22งสคือกลางกลางเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยได้แก่การไม่เลี่ยงดูบรรดาปิดาแล้วการดูบินบรรดาปิดานี่กลางกลางคือเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แล้วก็ต่อไปก็คือที่ข้อหาพัญยาของคนอื่นอันนี้ก็คือผู้ชายนะแล้วก็พวกที่เป็นโจรปล้นทั้งหลายที่จริงก็เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงโดยส่วนใหญ่มันก็เป็นผู้ชายทีนี้ประการต่อไปก็ถึงผู้หญิงแล้ว ท่าบอกว่านักเรงหญิงทั้งหลายขัดสีผิวกายบำรุงร่างกายว้วนพีไม่รู้จักหาครับนะอันนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายอีกนะผู้ชายอีก ก, ก็ไปร่วมสังวาสกับหญิงไม่นะหมายความว่าอะไรล่ะหนูตกถังขสานเรียกหนูตกถังขสารนก็ <S 2> <S 2> <S ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่ปีนฐานะบางคั่งร่ำรวยแล้วก็ปลอกลอกทรัพย์สินเงินทองเข า, าจนในที่สุดก็ผู้หญิงก็เอามาปรนปลือตัวเองจดพอทรัพย์สินเงินทองหมดแล้วก็หายเรื่องทะเลาะแล้วก็ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นนีก็ว่าไปเรื่อยพวกนี้ก็จะถูกสุนัขดำกินเหมือนกันแต่ว่าท่านผู้ฟังต้องสังเกตนะว่า เป็นการรับสั่งกับพระราชาซึ่งเป็นผู้ชายแต่ว่าอากุศ ล, ลกรรมเหล่านี้ถ้าเราลองดูให้ดีเนี่ยมันก็คือเรื่องการไม่ทำหน้าที่ตามที่ถกของลูกการผิดในสีข้อปานาข้ออาทินาข้อกาเม แล้วก็ต่อไปก็เป็นข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อมุสา เ, เมื่อใดคนผู้มีบาปปกปิดโทษตนเปิดเผยโทษผู้อื่นคิดให้ผู้ให้ทุกแก่ผู้อื่นมีความคิดอย่างอาศัตบ ร, รุษในโลกนี้ว่างคนบางคนเนี่ยทำชั่ว้แยะแต่ว่าก็พยายามปกปิดโทษความผิดของของตัวเองเอาไว้แล้วก็เปิดเผยโทษกันท่านคนอื่นอย่างที่ โอคณิศเขาบอกว่าโทษท่านบืนเพียงมเมล็ดงาปองที่ชิ้นนินทาหอนเว้นโทษตนเท่าภูสะภูผาหนักยิ่งป้องปิดคิดซ่อนเบรนเรื่องร้ายหายสูญพระเจ้ารับสั่งเอาไว้ว่าโทษตนเห็นได้โทษคนอื่นเห็นได้ง่ายโทษของตนเห็นได้ยากท่านสารนสุพลแจมได้กล่าวไว้ในอุธานธรรม ศานาน้ตะบนแจ่มในท่านท่านเป็นคนมีรงคําำนะฮะอุทานธรรมเนี่ยมันมีอะไรมีความคิดคำขำแล้วก็คมคมเป็นคํากรอนที่นักเผยแผ่ธรรมะนักศึกษาเนี่ยก็จํากันได้มากท่านบอกว่าโทษผู้อื่นแลเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขนตรษผู้อื่นเบนเบือ่อเหลือจะทนโทษของตนถึงจะเบนไม่เป็นไรนั้นคือธรรมชาติมนุษย์ คือสมหรับตัวเองแล้วก็จะอธิบายเข้าข้างตัวเองได้เรืยมีเหมีผลเรื่องนี้ผมอธิบายได้เรื่องนี้เป็นชี้แจงได้นะพื้นแนวของอาศัตบุรุษเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างหนึ่งว่าอาศัตรุรุษนี้จะเพ่งโทษคนอื่นคอยจะฟิดคนอื่นนะคอยชี้โทษคนอื่นแต่ว่าสัตว์บรุษเนี่ยจะเพ่งโทษดูตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง เวลาจําเป็นจะต้องตอบปัญหาที่เกี่ยวกับความไม่ดีของบุคคลอื่นเนี่ยแม้จะมากเนี่ยท่านพยายามพูดประหยัดปากประหยัดคำอย่พูดแต่น้อยแต่โทษของตนเองแม้แเขาถามน้อยเนี่ยท่านยาธิบายมากนั่นคือลักษณะแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าตรงนี้มันก็เชื่อมโยงเข้าไปสู่สีห้าแต่ไม่ได้พูดเรื่องสุรานะฮะพูดเรื่องสีข้อแรก เรื่องสี่ข้อแรกก็คงจะปัญหาเรื่องสุราคงยังไม่เป็นปัญหาใหญ่ในขนาดนั้นลักเหล่านี้จึงเป็นปัญหาถาวรในสังคมมนุษย์พูดเมื่อไหร่ก็ถูกประเด็น น, นนะยังปัญหาเราเรียกสังคมจิตวิทยาที่เราพูดสังคมจิตวิทยาที่เราที่เราตั้งเป็นมูนนิธิเป็นอะไรตอะไรแก้ไ ข, ขปัญหากันยากนะครับไร้ร่วรก็จริงจริงแล้วเนี่ย ที่มันกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของสังคมทางสภาพ อ, อุสรรคขวัญแขวนทเกิดขึ้นกับบุคคลภายในสังคมนั้นมันก็เรื่องเรื่องผิดศีลทาข้อเท่านั้นเองคือเราต้องมองตรงนี้ว่าศีลน้านั้นมันก็สุดยอดแล้วนะฮะในการที่จะพัฒนาสังคม ถ้าคนอยู่ร่วมกันภายในสังคมยังมีสี่ห้าได้เรื่องอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกมันเป็นผลพวงเฉยๆคือถ้าเราไปเชื่อมโยงแล้วเนี่ยมันก็ได้อะไรอีกเยอะแต่เรามองว่าต้นเหตุที่มาเนี่ยมัก็เป็นผลมาจากความโลภความกบความหลงที่แรงนะฮะดังนั้นนี่คือคือลักษณะของของพระโพธิสัตว์พอตอนสุดท้ายเนี่ย พเูเจ้าไปทูเจ้าท้าสกะเทวราชนะท่านบอกไอ้คนละเนี่ยทั้งหมดอ่นะใจหมากิน ห, หมดเลยมันก็น่ากลัวนะเพราะว่ามาตุรีเทพบุตรท่านก็เล่นทำเด็กใกล้อาหารมหาสารกองันภูเขากินพรักเดียวหมดละเดินจะกินคนนี่มันน่ากลัวมากเลยมองกวาดหมดเป็นเมืองเ ม, มืองไงนะะนี่คือวิธีขู่คือคือคนเราทำความดีเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยจะทําความดีแบบเด็กการทำความดีแบบเด็กมันก็มีสองแนวนะเด็กมันจะมีสองแนวนะนั่นเองคือหมายความว่าเราต้องขู่แกว่าจะลงโทษทาไม่ทําอย่างนั้ น, ๆๆ อ, นอย่างนั้นอหนูทําอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้รางวัลจะนำไปเที่ยวใช้เงินจะให้อะไรๆๆแต่ไหนก็ทําไปนะที่จริงไอ้ที่จะทำเนี่ยด้วยความกลัวด้วยความอยากแทนเด็กด้วยความอยากได้ด้วยความกลัวก็สองอย่าง ทีนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยเขาเรียกวินูชฉกับผู้ใหญ่ด้วยจิตวิญญาณจริงๆเขาไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะให้รางวัลหรือใครจะลงโทษแต่เขาดูที่ว่าไอ้สิ่งนั้นดีหรือสิ่งนั้นไม่ไดีถ้าไม่ดีใครจะลงโทษหรือไม่ลงโทษเขาก็ไม่ทําถ้าสิ่งดีใครจะให้รางวัลหรือไม่ให้รางวัลจะยกย่องหรือไม่ยกย่องเขาก็ทํานั่นก็เรียกว่าเป็นความคิดแบบวินูชฉ แต่ว่าโลกมันมันวิกฤตอนะมันใช้อกดเกณฑ์ขนาดนั้นไม่ได้หรอกเหมือนกับคนของเราหลายๆคนคนภายในบ้านหลายคนเราก็ใช้วิธีต่างๆกันนะนะไม่จะจะอบรมเด็กสั่งสอนเด็กสั่งสอนพระในนะั้นก็เหมือนกันเราก็ใช้วิธีต่างๆกันเพพื้นจริตอัธยาศัยของตแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแล้วท้าวจักรท่านก็นสรุปว่าดูก่อนมาราช คนเหล่านี้ไม่ใช่มิตรของเราแล้วก็โยสุนักทำรรทีจะไล่กัดนะนะทำทีจะไล่กัดคนเหล่านั้นคนก็ตกใจวิ่งหนีกันทัสกะก็ทำดีเป็นชุดเชือ ก, กดึงสุนักเอาไว้แล้วก็กราเพศนะคู่สิตกใจแล้วท่านนั่นเคยนึกออกนะที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระภิกษุนี่ท่านอยู่กับพระพุทธเจ้านะฮะ พระเจ้าประทับอยู่ในปร า, าสาทของนางอิสาขาด้วยกันปรส า, าสาทนางวิสาขานใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าโรงแรมหลายๆโรงแรมในเมืองไทยเลยมีห้องตั้งร้อห้องอนะพันห้องไม่ใช่ร้อยห้องพระอยู่เป็นพันแล้วท่านอยู่กันยังไงก็ไม่รู้นะพระเจ้าประทับอยู่ที่ที่ปรส า, าสาทด้วยคุยกันลั่นกรโมงชงเฉงบุ่ญวายเราไม่รู้จักเกรง อ, อกเกรงใจเลยพระเจ้าต้องเสด็จออกจากปรส า, าสาท แล้วก็ต้องติดต่อกับพระโมคคัลลานะโดยภาษาพระอาหารหันต์นะฮะพระโมคคัลลานะเปรียบภาพกระรับสั่งว่าสั่งสอนพวกนี้จะหนพระโมคคัลลานะท่านเอาเท้าในเขย่าประสาทนะกระเพื่อมืันก็แผ่นดินไหวเลยพระก็ตกใจตื่นสนุกวิ่งกันตะลิดเปิดเปิงจีวปรปลิววนไปหมดเลยอันนี้ยคือวิธีดัดสันดานใช่ไหม มันเป็นวิธีมันเป็นอุบายวิธีพุทธเจ้าเองก็เคยใช้นะไม่ไม่ใช่ว่าเวทีฝึกพระอะไรจะต้องเรียบๆเสมอไปบางทีมันก็ต้องมีลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วมีวิธีได้สรุปว่มีวิธีเราไม่ได้โกรธเบียดอะไรเราก็เมตตาอย่างที่เคยยกตัวอย่างอยู่บ่อยๆว่าเหมือนกับเราเอาไม้มาทําเฟอร์นิเจอร์เนี่ยปัญหาว่าไม้นี่มันเป็นยังไงจะใช้เครื่องมืออะไรแต่ว่าจุดมุ่งหมายจริงๆเนี่ยเราต้องการให้ไม้นั้นะเป็นเฟอร์นิเจอร์ แือเครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของไม้พอเสร็จแล้วท่านก็เล่าวความจริงให้ฟังพระรูปกนมาราชเราคือท้าสกะเทวราชมาด้วยเห็นว่าโลกนี้จากพินาศแล้วประเดียนี้มาชนประมาทประพฤติธรรมกันเยอะเกินประพฤติในกุศลกบฏอย่างที่ว่าแล้วนะะแล้วมันตายไปตรงนรกกันแยฮะ เทวดามันเทวดโลกมันว่างเหมือนๆกับว่างอ่ะท่านบอกว่าดุดจะว่างเปล่าเอี๋มันมันไม่ค่อยมีเทพบุตรเทพธิดาใหม่ๆรุ่นใหม่เกิดขึ้นนะฮะรุ่นเ ก, ก่าก็จุติไปแล้วก็ไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่นี้ไปเราจะรู้สิ่งที่ควรทําสําหรับผู้ไม่ประพฤติ ธ, ธรรมคือครูนะะหมายความว่าต่อจ น, นี้ไปใครไม่ประพฤติ ธ, ธรรมจะให้หมากัดได้หมดเลยก็ครูอย่างนะี้น่ะ จะส่งมามากัดทีนี้มันสํานวนท่านนี่มเหมืเพราะว่าท่านมาพูดกับพระราชาท่านบอกว่าตั้งแต่นี้ไปเราจะรู้สิ่งที่ควรทําสําหรับผู้ไม่ประพฤติธรรมแล้วก็ให้สติเตือนว่าต่อไปเนี่ยพระองค์เองก็อยประมาทแล้วก็ส่งแสดงธรรมสั่งสอนให้โอวา่าว่ากล่าวตักเตือนชี้แจงชี้ถูกชี้ผิดเพื่เกิดความเข้าใจ คือคนสมัยนั้นมันตกต่ำไ ม, ไม่รู้ศีลรู้ธรรมแล้วคาถาที่ทัสกาศเทวราชกล่าวเนี่ยมันมีค่าตั้งสี่ร้อยคือคือคือเรียกว่ากล่าวคาถาสี่บรรทัดเนี่ยมันแพงมากเลยในตะไบนี้เทศแทบตายนะฮ <c> ะ <oughs> ก็ไม่มีอะไรเมืองไทยเราในพาสิทธิ์เยอะํคำคมเยอะแล้วก็จับให้ได้สักข้อหนึ่งเกียดสบาบแล้ว แล้วก็รับสั่งให้มนุษย์ทั้งหลายนี่ตั้งอยู่ในธรรมและศีลอยู่ในศีลธรรมยัร ญ, ญาให้ลองสังเกตว่าไม่ได้ไปเลยมุ่งมั่งผลนิพพานอะไรนะะตรงนี้ไม่ได้พูดเรื่องของผลนิพพานพูดแต่เรื่องว่าให้คนแต่ละคนอยู่ในศีลในธรรมพ่อแม่ลูกทำหน้าที่ของตนให้ดีสามีภรรยาทำหน้าที่คนงตนให้ดีเพื่อนกับเพื่อนทำหน้าที่ของตนให้ดีในฐานะเป็นศาสนิกของศาสนาก็รักษาศีลห้า อย่างน้อยก็อย่ามันแรงเกินไปนะคีเป็นพระเ ป, เป็นเป็นเนนเป็นอะไรตามานักบวช ท, ทั้งหลายเนี่ยมันก็คือต้องเป็นนักบวช ท, ที่ดีผลที่เทวสกะทเทวราชต้องการจริ ง, รงๆก็คือให้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขที่สำกันอย่างยิ่ ง, งก็คือว่าศาสนาของพระกัสสปะเนี่ยคือพอท่านนิพพานไปเนี่ยมันเริ่มเสือ่อมมันไม่เหมือนพระพุทธศาสนาของเรา อย่พระเจ้าทรงวางวินัยเอาไว้นะฮะควาวินัยเอาไว้มันก็มีการสืบต่อรูปแบบต่างๆมาคงอยู่ตั้งสองพัน 2, กว่าปีแล้วมคงอยู่แต่ว่าการการเสด็จมาโปรดของท้าวสกฤตเทวราชคราวนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้าศาสนาสืบต่อมาได้อีกตั้งพันปีนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงอัธยาศัยของมหาบุรุษในสมัยที่พระุเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยูนะ่แล้วก็รับสั่งแล้วว่า ดูกรวิสูตังหลายเราประพฤติประโยชน์แก่โลกแม้ในการก่อนอย่างนี้และในสุดก็สรุปชัดดกมันก็มีคนสําคัญอยู่สองคนนะฮะคือมาตุลีกับท้าสกะเทวราชแล้วสังว่ามาตุลีใ น, นนนนนนในครั้งนั้นก็มาเป็นพระอานนุ์ส่วนทัาสกะในครั้งนั้นก็มาเป็นโระเจ้าธอเห็นว่า พอมาถึงพระอานนท์กระงพระเจ้าก็อีกแหละคือว่าพระอานนท์นั้นจะสร้างบารมีคู่ขนานแล้วก็รับใช้กันมาเรื่อยๆก็กทำให้เราเห็นแนวของปุเพกะตะปุญญาคือคนที่มีบุญไว้ในการก่อนแล้วก็เคยทำบุญร่วมกันมาในการก่อนขันชาดกเหล่านี้ถ้าหากว่าท้านุฟังหยุดคิดตามนะฮะดูสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นในปลายสมัยศาสนาของพระกัสสปะสมาธรรมิธเจ้ามันกลายเป็นกงล้อของประวัติศาสตร์ที่หมุนกลับมาสู่โลกเราเวลานี้ปัญหาเหานี้มีทุกข้อนะและมันแรงมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเราศึกษาติดตามข่าวคราวแต่ละข่าวคราวศึกษาเอกสารค้นคว้า จากแหล่งที่มาของข่าวสารต่างๆ ต, ง ต, งตลอดถึงข้อมูลการวิจยัยงานวิจัยเห็นว่าแต่และเรื่องนี้น่าโปรโมทปัญหาอารยกรรมปัญหาโซเพเนียปัญหาโซเพเนียเด็กปัญหาเรื่องโรคเอทปัญหาการคอร์รัปชันโกงกินปัญหาการทําลายสภาพแวดล้อมปัญหาสารพัดเลยนี่คือคนมีจิตตกต่ำไม่สามารถจะคุ้มครองตัวเองด้วยหลักของจิยงทําได้ วันมหาการหาชาดกในวันนี้จึงเป็นหลักย้อนกลับมาแต่ทว่าเห็นว่าปัญหาเรื่านี้เคยเกิดแล้วก็แก้ได้ถ้าหากว่าพร้อมใจกันจะแก้ไขแต่ต้องใช้มาตรการหลายๆมาตรการแต่กันเองสำหรับปี น, นี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี